แทนที่ท่านจะลอยทิ้งไปทุกสิ่งทุกอย่างลใจของเราจะรู้สึ์แล้วอยากจะทําอะไรจะทําไปมนเป็นอย่างนั้นดีพร้วุทธเจ้าและพาลีเจ้าถั่วไปในอ น, นุพุทธะดูเองไหนที่ ท, ำทำ่านทำเสื่อทําเสียเมื่อท่านสาเร็จเป็นอรหรันตอรหรันท่านที่จิตใจต้องท่านในข้องในทางเชื่อทางดีแต่ท่านต่อไม่เคยทํา นอกขอบเดตของท่านนี้นหนไปทา่านมุ่งมัน่นรักษาปัจจุบันหรือวิหารธรรมของท่านอยู่ตลอดวัรรนต่อวันผ่านแต่เสถดกอสร้างอันนั้นโดกอสร้างอันนี้ไปปลุกเสกนั้นไปปลุกเสกนี้ปลุกเสกใจข้งท่านเท่านั้นใจของทาง่า น, นาาประเสริฐแล้วจะได้ปลุกเสก อะไรอีกพราะสิ er ่งอื่นนั้นมันมีความหมายนอกจากใจเท่านั้นที่มันมีความหมายอยู่ควปลูเสให้ถึงขีก็ปลูเสจะถึงขี้แล่จะไปปลูเสดเ่องเหรียนเ่งพระอันอื่นไม่เคยมีในตำลักตาราธรรมะของพระเจ้าเจ้าเสนอสอนจะลวงไหลไม่เสีเทินไปในเรื่องนอก พยายามที่จะเจรณาพยายามศึกษาพยายามเอือมกายบายใจใจคงตน้าจิตคงตนเข้าถึงธรรมสึ่งที่นั้นผิดมันจะเด่งบอกถึงอย่างนี้ฉัมัพูดมาเตือนอย่าอันนั้นมันผิดอันนั้นมันเหนื่อยเขื่อนแต่ธรรมะจะเตือนตัวเองจึงได้มันผิดมันจะต้องไปจิตไปขวางในจิตของตัวเองนอกจากนั้นอาจจะมีธรรมะเด่ง หลออขึ้นโดยหนเมื่อดแต่อันนี้มันผิดในเตรียมทำทั้งทั้งอิ้นหนตกาหนดเอาไว้จะมันหล่อขึ้นมาภายในว่าหนูควรหรือผิดถ้ามารักษาไปกก็คือทำอย่างนั้นจึงเป็นเรือสสออ่องอัศจรรย์ที่ผู้ทำเห็นทำถ้าถึงทำจริงจังใน่ออะไรที่จะมา ทำให้ตัวของฉันเลี้งไหลเพลิดเพลินมือมาเจ้าจิตไปในเรื่องนอกมีชื่อทีมีทมในเรื่จิตข่องในสมมติในจิตข่องในอาวุ์มีจิตบริสุทธิ์สม่ำเสมอทุกระยะทุกเวลาแต่สุดแล้วที่เราหนูหนูเห็นกับท่านเราก็ เอาเดาเอาหรือเข้าเราถึงผิดทั้งเพยผิดบร้สุทเป็นอย่างไรพอเรายังไม่เห็นเขาใจเรามันจะเป็นอย่างนั้นใจเรามันจะเป็นอย่างนี้เรายังไม่เห็นในตัวถ้าเห็นในตัวคนจิตวิสึทเห็นเดียกันไม่ต้องพูดหลายถ้อยหลายคงพอพูดออกถึงคำาริสรทธิ์แถวนั้น ก็เข้าใจกันอย่างจริงจังไม่มีอะไรที่จะสงใสัยฉะนั้นการประติปฏิบัติเรื่องใจเส้นเรื่องสําคัญจะ่าไปคิดอย่เรื่องอื่นจะเป็นเรื่องสําละกายใจได้ทํากติวิหารทําเหลือทําจะลายใหญ่โตใจใหญ่ใหญ่จะเตวใจจะสว่างสวายใจจะเบิกบานหายความขัดข้องหยุหยิงต่างๆอย่าไปคิด หาไปเีวิตแบบนั้นไม่มีวันเราตัางาตางตา้งหน้าตั้งตากำหนดที่จ ะ, ะนาเงิจิบแว๊บออกไปภายนอกมันจะยังยากยังลำบากอยู่ยิ่งจะไปแบบไปหามพาลนานาชีภายนอกมันก็ยิ่งซึมออกไปเซึนออกไปภายนอกได้อันนี้อย่าได้อันนั้นไม่ใจ่อยากเรื่อยไปความอาเป็นทางเสดทุกข์ท่า พิจารณาภายในระวังรักษาใจจนใจมีความสงบระงับดับยืเหยุ่นได้เสียงก็ดีรูปก็ดีเรื่องต่างๆก็ดีมันเป็นทาละนั้นไม่ยากจะทําจ ะ, จะเกี่ยวข้องเพื่อจะคิดในจิตในใจเรื่องท้องท้งขานแต่อย่างเป็นเรื่องหนักเรื่องลําบากดันไดคิด ในข้อถือความคิดตานเพิ่มถึงเจ็ดคิดวันนั้นเหนื่อยผิดธรรมดาถ้าหากลอยเอาไว้ในเด็กคิดเกี่ยวกับอะไรอยู่ตามเรื่องของตัวมันสะดวกมันสบายมันมีกําลังเพราะถึกระยะเวลามันสงบสังขารถึงมันเติมขึ้นมันก็ต่อไปตกไป ต่อยอย่างนั้นการงานหน่าที่ที่เราเคยคิดเคยพึงทำให้การมันตกไปมันก็เหนื่อยเหน็ดเป็นผลเป็นประโยชน์ให้เวลาเราไม่ต่อยมันพยายามคิดในสิ่งอย่างนั้นมันจะเหนื่เหนื่อยเหนื่อยหิวหรือเคยกินรายละเอียดลูจักรเรื่องต่างๆนานาที่อยู่ในตัวของตัวเอง ยิ่งไปทำเรื่องภายนอกก็ยิ่งไปกันใหญ่คิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้แทนที่จะสงบมันไม่มีทางสงบพะพุทธจ้าตั้งมือแผ่นเซะเสมการงานด้านนอกชมเชยความสงบทำด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้า แสนแสนอย่างนั้นเราทุกท่านตป็นอย่างไรไปพิจารณาไหมเรื่องกายใจของเราหรืออยู่แต่เพียงกายภายในวัดใจมันยุ่งบึ้นออกไปอยู่เห่ยววัดขโมยของเหนี่ยวองนุ้นเกี่ยวจุงยุ่ตาอะไรก็อีกให้ระวังรักษาพิจารณาตัวเอง ฐานเขาถือว่าเป็นนักปฏิบัติสู่คนทั่วไปเรื่องไปศัทธาแบบเป็นพระคือผู้ก่เสริมเมื่อจิตใจยังติด ข, ข้องเต่าหมองเพลิดเพิมในอาวณ์สัญญาต่างๆนานาอย่างนั้นพระมันอยู่ที่ไหนหมามันก็คิดได้คิดได้นะทํานังนั้นใจมันเนี่ ย่งกัอมาไหเลหรือเขาเอาเข่าเอาตาอกยไม้ถูกเพื่อนมาสากลาบเบชาเรามีดีที่ไหนสองใจเพื่อเราให้ตื่นอย่าให้ลุ่มใหยื่อมากราบไหว้มากลาบบชาตลาดเราเป็นผู้ดีผู้ดียเสษ็จยเ่งรวยยิ่เพื่อนทับหยใจไม่มีอะไรที่จะเป็นของีเสด็ห เราเป็นโสดร์ในเสียงแบบคือหลอกเข้ากินในละอายโลกเข้าหรือต้องคิดสอนตัวเองแนะตัวเองอยู่สมานสมเนออะไรสิจะเป็นพระเป็นเมือนได้เราต้องพยายามรักษากายรักษาวาจารักษาใจทงตงพระคือสิ่งเตอร์เตอระเตอร์อย่างไรโลกเข้าลื่มเข้าหลงเข้าเสดเข้าเพลินไมเรื่องวิ่เสียงกินลดใจของเรา เราลืมโยงตัวอย่างนั้นสินงของเราความปกติของเราปกติอยู่ทุกการทุกเวลาไม่ได้ไปทำเสื่อชาลามกไม่ได้พูดในสิ่งที่เสียหายไม่ได้คิดในสิ่งที่เป็นอคติลรักษาทุกประตูในทางชั่อภายนอกมันจะไหลเข้ามาความเชื่อภายในกําจัดตัดเต่าออกไป คือสุปฏิปันโนอุสุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนปฏิบัตินี้มันมีอะไรที iosis, with light, with ่จะทำหนึต <t ry> ัวเ่องตัวหรือเท้าไปที่เจริญนาแล้วก็ยมีแหน่ใดมุใดที่จะเฉ้งใสที่จะทำหนึ่งได้เพราะตัวเค่องตัวระว่างรักษากายวาจาใจอยู่ตลอดเวลาดีในมีอเท้า ต่อทำทำสอนสองพรพุทธเจ้าเลยตจงต่อจีเรียตันหาตรงต่อทางจับปัดสรุยายายตา่อจิตปันโนจนถึงสาเนจิพระพุทธเจ้าลและอริยะเจ้าทางหลุดท้นอย่างไลยไม่มีทางสงสยัยจิตใจของเรา เป็นอย่างไรจิตใจของพระพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้าจิตใจช่วได้ก่อนเหมือนกันไม่มีทางเชื่สัยไม่มีอะไรเป็นปัญหาเพราะความรู้สึกอันนี้มันไม่อยู่แต่ไหนแต่ไรแต่ไรยังไม่เห็นไม่เจนพอเห็นพอเป็นแล้วมันก็ไม่มีทางเชื่อสายแบบพระพุทธเจ้าทำรูยดอย่างไรใจของนรรมะเป็นมิจฉุกเป็นมิจฉุกอย่างไร ใจของเาได้รู Entonces, 2003, ้ได้เห็นได้เจออย่างนั้นมันจะมีการสงสัยว่ามันจะเสื่อมไปอีกไหมมันจะเจริญไอีกไหมจะมีอะไรที่ต้องการจะละจะมันเพิ่อีกมันหมดสริยท้กอย่างจิตเป็นอริยสธิ์เป็นในมีสริย มีปัญหามีความข้องติดมีการเข้าการออกมี ใ, ใส่กินละเอียดมี ใ, ใส่กินลวรวมจิตนิดนี้เราเคยปฏิบัติามาระยะยาวนานรวมใส่ละเอียดขนาดไหนอยอดคลายขนาดไหนป่าหานในการต่อสู้ที่เหลือขนาดไหนก็ทราบ มาทึกอะไรยนะต่เหนื่อยมาเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นไนหะมนั่นจะเลยมีทางสงสัยเพราะเป็นรุดถ่วไปไม่เข้าถึงไม่มีอะไรที่จะไป ส, ส, สงสัยในความบริสุทธิ์ทั้งตนเพราะความพ้นจากการละการบันเทนเป็นสาเนจิเป็นที่ ถ้าหากมันไปถึงขั้นไหนตอนไหนนั่นก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยในตัวท่านซึงกล่าวไว้ในธรรมะคุณว่าเป็นสันทิทิโกเห็นเองชั่อก็เห็นเองดีกว่าเห็นเองยากก็เห็นเองละเอียดกว่เห็นเองความต้นทุกข์กว่าเห็นเองไม่ใช่คนอื่นจะมาเห็นให้เมื่อเห็นเองเข้าใจเองอย่างนั้นจะมีทางสงสัยอย่างไรเมื่อเราจับมัแข็งมันเย็นไหม ดอวย น, น ร, ร้อ น, น, น, นเราก็้าดจัดภัรมันร้อนเลยมันเย็นลราก็้าดเพราะเราไปสัมผัสเองหยุดที่ไปสัมผัสไปเกี่ยวข้องไปถูกต้องกับอัจทำนั่นก็ทธรอมเดียวกันซาไปทุกขั้นทุกระยะจนถึงที่สุดจะไปที่ไหนอีก มันก็ภาบอีกยึ่ง ม, มีทางสงสัยกาปรปฏิบัติมีสิทธิทุกคนในวัาพระบ้าเนินในว่าคารวะหญิงชายเพราะธรรมะเป็นของตางนี้ใครที่จะมีอธิสิทธิ์เป็นเสรีภาพที่จะไปะเพืปฏิ บ, บัติได้เพราะกายใจอยู่กับเรา แต่ปัญญาอยู่กับเรามันคิดพิจารณามันศึกษามันกระทั่มบำเพ็ญสิ่งที่ไม่เป็นก็จะเป็นขึ้นสิ่งที่ไม่จเห็นก็จะเห็นเจ้าจากการกระทํามทองตนเพราะถ้าทําปัญญาไม่เป็นโมฆะไม่เป็นมันจะทําทางกายทางวาจาทางใจก็เห็นผลอย่างน้อยก็ในตำแหน่งตนว่าอยู่ เป็นโมฆะมันพิมพ์พิจารณามันศึกษามันกระทำมันบำเพ็ญถ้าเราเป็นพระเป็นเมินที่ดีที่ดีดมีคุณค่าในตัวแล้วอย่าไปเล็ดชิดติดข้องอย่โลกอันนี้จะไ ม, ม, ม, ม่มีความหมายสำหรับเรามีความหมาย เรามาเกิดในโลกอันนี้ได้ทําประโยชน์โด้ทำคุณงานวความดีแล้วอย่าไปคิดแบบคนอื่นเขาจะไม่เห็นในความดีเด่นทังตัวเขาจะเห็นใจรู้อย่า ไ, ไปคิดนะจะเกิดความอึดอยากยากจนจะเป็นทุกข์เพราะทำรักษาผู้ปรฏิทินไม่ใช่คนไม่ที่เชื่อ ทำคือคนปฏิบัติดีแล้วนความสุขมาให้ไม่มีทุกขอทุกคนจงฝึเกเขียนกระทำําเพ็ญพยายอมสายเกินไปทำ ด, ดีใหม่ผิดพระไุทธเจ้าจนมันหยาบเอาไว้เป็นปาสดาแทนพระองค์ที่ใด ต, ต่างนาต่างทานชนีดที่จะ น, ทนาทำนะโดยเฉพาะก็ะคือก า, ายรางใจใจทตนว่าเย็นนี้ เราทําอะไรอยู่เยนนี้การนึกคิดของเราคิดถูกอย่างไรแต่ของเราอยู่ในตอบต้องคำดีไหมหรือไหลไปเรื่องโลกเกียวกัารที่ยามาอยู่เรื่อยไปศึกษาตายดาจายตาจนตายจุดเมื่อจบในการฝึกษาตายดายตาหรือผาดขันอายตนะของตัว ในทุกอย่างไม่มีทางโงใสก็ได้ชื่อว่าเวียนจบถ้าตายคือเด็ดศีลสมาธิปัญญาศีนก็คือการรักษาตายวาจ๋าสมาธิคือความหนักหน่วงของใจปัญญาความว่ารู้ในสังขารสังขารอื่นไม่ต้องพูดสังขารภายในสังขารคือใจคือตุ้งแต่งว่ารู้ ว่าผิดถูกเชื่อดีอย่างไรควรจะแช่แข็งจักลุตัวอย่างไรจึงจะเป็นไปถึงความผานทุกเมื่อถึงความผลทุกแล้วอย่างขันทั้งหลายฤทธนาสัญญาสังขานมินด า, า น, านจะทราบดูแลสิ่งเหล่านี้เป็นขันไม่ใช่ความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ไม่ใช่ขันอันนี้ขันอันนี้มีอนุจ ทุกครั้งอนัตตาความบริสุทธิ์ไม่มีอนิจจังทุกครังอนัตตาแต่ว่าอัตตก็ไม่ถูกอนัตตก็ไม่ถูกทุกอย่างที่เป็นสมมติไม่ใช่อันนั้นอันนั้นเป็นอะไรเพืปฏิบัติจะทราบชัภายในตัวก็คือความหลุดพ้นมี่จะเป็นสมมติเล็กๆพานนี่ก็เป็นสมมติ สึ่งที่เหนือสมมดเราเราเข้าขใจยังไม่มีอะไรที่จะสงสัยจะแก้ไขหรืบําเพนไม่มี น, นมี่คือการปฏิบัติปฏิบัติอาจทำเมื่อเข้าใจรือเห็นตามเป็นจริงแล้วจริงสุข ส, ขส บ, บายมานไะม่มีอะไรที่จะเหนือกว่าจิตที่มีอาจ ม, มีทำในความส่วนทุก สุดคือเน่าคือเสียแต่สุดในธรรมเป็นสุดค no? ือหยาบเย็นเป็นสุดคืในเน่าไม่เหม็นเป็นสุดคือหน้าอัศจซจันเป็นสุดคือทำนักหลาเผื่อไปสำนึะนั้นจึงควรประเพื่อปฏิบัติให้เข้าใจให้เห็นจริงจากตัวของตัวไม่อย่างนั้นก็จะมีการต้องใส่เรื่อยไปแบบความสุข ดูทันพูกเป็นอย่างไรถ้าในนีในเราเราก็ไม่พอใจทุกสิ่งทุกอย่างหากมันเป็นมันเหมือนมันรู้เดียวกันมันพูกกันยาถ้าหามันเป็นไมใเคยเห็นใส่รู้มันพูกกันยากอย่างความเช็มอย่างนี้ถ้าคนนั้นไม่เคยรีบร้อเราความเช็มเป็นอย่างไรยาที่บายมันเช็มเหมือนกลือเกลือมันเช็นอย่างไรก็เหมือนกลือแถวนั้นเกลือที่บายก็ได้แต่เค็มแค่นั้น เพราะมันเค็อย่างนั้นแต่คนนั้นก็ไม่เคยทาเกลือหรือเคยกินเกลือสักทีก็ไม่ชอบหรอเค็มเ น, นมืนคืออะไรใจขนนองเราทิดเขาจะจ้ากล่าวอไว่าทานองเดียวกันไม่มีอะไรที่จะสงสัยถ้าเราไปเห็นไปเตอนแล้วพูดขึ้นทำซ้อนทำแถวนั้นเข้าใจกันอย่างจริงจังความเต็นความเห็นของท่านกับของเราไม่แตกอะไรกัน เราเจ็บเราเห็นก็มีทางส่องใสเหลื่อยไปฉะนั้นการปฏิบัติอัดทำผิดพระพุทธเจ้าแนะนําต่างสอนฝึกจิตอบรมใจของตนจึงเป็นเรื่องเจ้ปัญหาความส่องยสทุกอย่างให้ตกไปเองโดยไม่ต้องไปไปถามคนนั้นวานะที่เป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรดีมดเป็นอย่างไรดีมดยานทั้งที่นาเป็นอย่างไร มันีทางสงสเพราะตัวท่องตัวเห็นเป็นในตัวท่องตัวถึงจะพู ด, ดขนาดไหนมันก็ไม่พอไปถึงความบริสุทธิ์ไา้เพราะความบริสุทธิ์มาอยู่ใน่มปากคาพูดของคนความบริสุทธิ์มันอยู่ภายในเข้าใจแต่จะพูดบริสุทธิ์เท่านั้นจะเอาความบริสุทธิ์ออกมาพูด ชนิภายนอกมันจึงไม่ถูกหล่ายยุทานก็ไม่ถูกไม่ถูกความบริสุทธิ์ใจจิตยังไม่ถึงบริสุทธิ์ถึงยุานหล่ายยก็ไม่ถูกเพราะจิตยังม่เป็นยุทไม่ถูกทั้งน้ในตอนที่เสี่เราทนได้ไม่ถึงถ้าเสเราทันถึงวะม้กรณีอะไรเส้ส่คำเหล่านี้มันเป็นชนิ จึงม no ีทางเส้นสายกันโลกอางชาิสมุดไม่ใช่สมุดมันปฏิบัติตามสมุิศ <senses> at <night> <tr> ีลมันก็เดี๋ยวศีลก็คือเรื่สมุดถรามินยเป็นเร่งสมุดจึงควรจิตจนาศึกษาตัณหาตัณตาต่อเพืปฏิบัติทุกวันทุกเวลาอายุขึ้เราหมดไป ยังไม่ฟาดระดมใดเราจะตายจะแกไปถึงจ่ตเสียก่อนจึงจะตายหรือจะไปถึงแก่ไหนกว่าตายแล้วก็ฟาดไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นดวงจิตรียดเร่งจะทําบําเพลินเมื่อเราเป็นเราเห็นเราดีเราเดุนภายในจิตในใจของเราจะอายุไนมะ้อาออยุอ่อนหรือก่อตางจะแก่เท่าก่อตังมันเป็นอันเดียวกันมันไม่มี ตามมีเวลาเยาะเาะตาหรือโกรจิตเดียวนั้นความบริสุทธิ์อันนั้นจะยืนเด่นคงอยู่ไปเท่าไรนั่นจะไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะสงสัยแต่ตายไปในระยะนี้นั่นจะไม่มีอะไรที่จะเสียดายอย่างขาดขันสึงที่เราต้องตามสึ่งที่เราอยากได้ซึ่งที่พอ หยุดพอดีในนีอะไรที่จะเพิ่มเติมมันมีแล้วอยู่ในตัวของเราคือมันมีทางแสงใส่ยันมีทางจะเหวียงใหญ่เหวี่ยงชีวิตนี่คือผู้ทีดผ่านถึงที่สุดเดือดการรยุดเด่งขาดเพียนคือยามกระทั่มบำเพ็ญมาโดยอยู่ในวันคืนทย่เดือนผ่านไปต่าง ตาคนงานดีแต่ตายรายใจใจทุ่งตนจนถึงมืดที่สุบ้างคนนั้นแหละมีคนข่าสาระมากถึงคนอื่นเขาจะไม่เห็นจะทาการทางานบ้านอื่นโยด่าก่ต่างจะทำาดยรู้ติดท้องเรามดยใช้มืการเจากันเสียอะไรเขาจันล่เสริมยดยใช้ปันนิอันนั้นนั้นเป็นบันไหวใน ต่อพูดเพื่อทปากใ้าเนอยกายมันอยู่หรือมันจะตตกไปอันนั้นจะบันไห้เอียงๆหรือไม่จะเป็นอย่างไรต่อไปมันจะมีทางสงสัยอีกจิงสุกจึงสบายมากจะอดอยากขาดแคลนขนาดไหนค ว, วามเป็นไปของความบริสุทธิ์ันเอื้งจะขาดแคลน จนมีมากขนาดไห น, นใจจะเหงาจะเหลงไปตามลาบเด็ดแต่และเศษแบบนั้นนั่นก็จะเป็นไปอีกมันคงเส้นคงวาตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นจระทั่งป่นนี้ความบรู้สึกอันนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงยังเหมือนเนดิมอยู่อย า, าอยย ก, กออรู้อยากเข้าใจเพื่อจะพิจปฏิบัติในตัวเองเหรู้ภายในตัวงของตัว จะไม่มีทางต้งสสยทำนะเป็นอาการิโกือกลจริงเหนใจเสื่อมจะเรีนไปตามเรียนปากของคนคือว่าจะทฏิบัติจะต้องเห็นทุกขั้นจนถึงความเป็นอาการิโืก เ, เ, เ, เ, เ, เ, เป็นที่ไม่มีตามมีเวลาไม่มีเข่ามีออกไม่มีเสื่อมไม่มีเจริญไม่มีเตัว ทำจิตกขาก็จะเจ้าวาดตาลกปุกยาพิจารณาพิยนนาเรื่อยไปเบื่องตนพิจารณาเรื่องกายในข้ายใจตามความเนจริงของมันจิตใจจะหนเออในเกิดราคาปัญหาหาพิยนนาในทางกรรมฐานพิยนนาในทางเวลาต่างจิตใจของตนจิตเมื่อมี สมาธิในความยังเรียนได้แต่เมือจอมาั บ, บัญชาอยากจะทำทุกตามทุกเวล า, าเทวินอศัศจรรย์จิตเป็นจิตคิดเวลาความทุกข์ามลำบากขนาดไหนเราไม่ทราบเพราะฉะน้นถ้าเห็นจิตหยุดจิตรวมนถ้าไปเห็นจิตหยุดจิตเรียนได้ความทุกข์ย า, ากลำบากในการเป็นการคิดนั้นขนาดไหนจะทราดโดยใจของตัวเอง แต่ถ่ายจะเห็นแต่การพักผ่อนเคร่งจิตโดยถ่ายเดียวในที่เจน่าหาทางละทางซอความสงสัยต่างๆพอถูกอารมณ์ปัญญาตรุเขาอยู่ในสมาธิมันเปิดเผยปัญญาจิตละถอนเหลือเลียัหาจิตสึของสมาธิทางจให้ที่เจน่า พอถอดถอนุ่มมาจากความเป็นหนึ่งจากสมาธิพิจารณ์นะปัญญาแถวนั้นจะเป็นเครื่องสังหารกิเลสในใเดียวกัสมาธิที่เจ ใ, ให้ดีธรรมะไม่เป็นหมันธรรมะไม่เป็นโ <c oughs> มฆะถ้าเราไม่เป็นโมฆะในเราไม่มีใครที่จะเชื่อเราได้ เท่ากับเราเชื่อเราเองไม่มีใครที่จะทำลายเรายิ่งกว่าเราทำลายเราแต่นั้นต้องสอนใจของเราให้ที่นี้ที่เจนมาให้ศึกษาให้ปฏิบัติอย่าไปคิดอยบาเนน้อยอยาก็นาไม่มีไม่ทำมันไม่มีน้อยไม่ทำมันก็ไม่น่าพยายามสอนใจทังคน เนื่อยเนี่ยลำบากเราก็ทาเพื่อเราจะให้เกิดความสุขความสบายความกนจากทุกข์เขาทางานดานอื่นยิ่งอยากลาบากหุดดินเกี่ยงคนเราก็ยังทากันอยู่บางคือตายในถนนข้างทางบาที่ตายในน้พราเขาหางายก่ตายย่่งท้องท้องถถนั้นลำบากคือเขาหา นะไม่ใช่บัตรเขาจะหาหางหอบที่ไปสืบออกหน้าได้แต่ที่เราหาเป็นสมบัติภายในที่เราทําเป็นสมบัติของใจเราทำได้ตายไปไหนโดยเสียหายไปที่ไหนเพราะจริงที่เราทํามันอยู่กับใจของเราไม่ใช่วัตถุภายนอกจึควรยิ่งยิ่งที่จะสานใจให้ยินดี ในอัดในทำในการปฏิบัติพยายามสอนตนพยายามบังคับตนการสอนต่าละเลยก็เคยมาแล้วผลที่ปรากฏในตัวเป็นอย่างไรทุกคนก็ยอมสร้าบหน่วยมาบังทับบัญชาพิจารณาททยในต่างใจทำ้นจะเป็นอย่างไรเราก็จะต้องทราบใช่ไหม ใ, ใจของเราอีก ใจคนอื่นจะนั่งดงคุณามดีคือเราทําได้แต่เป็นเส้นบัตรของเขาเราทําได้ขนาดไหนแต่เป็นเส้นบัตของเราขนาดนั้นไหนมีใครอะไรที่จะมาต้นขี้เอาคุณคทำดีจากเราไของเหัใจอะไรเห็นอย่างนั้น ต, ต่างหน้าตั้งตาไปปฏิบัติ ความสุขความสบายที่เราในเจอขาดชิดจะเจอพบเห็นจะเกิดเตินขึ้นภายในตัวของตัวฉะนั้นขอทุกท่านเติมเรื่อต่างๆต่างๆกาะทำบำเพนญโอเคะสบพบเห็นความสุขความเจริญการที่บารมีฉะนั้นเราต้องเตรียูจิตเวลาเพยุติเรื่องนสร็